หรือในพัตตะกับก็ว่าได้หรือในโลกก็ได้เพราะความหมายไม่ได้สำคัญตรงที่จำนวนมากจำนวนน้อยจานวนน้อยหรือจำนวนไม่ได้นัดหมายความหมายที่โลกหาไม่ได้อีกแล้วก็ตรงทดีวว่าการประชุมประธานองค์ประชุมแล้วก็สมาชิก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 โดยที่หาคำอื่นคณะอื่นโอกาสอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนี่คือความหมายอย่างแท้จริงของวันประชุมวันนี้ดังกล่าวแล้วว่าเป็นการประชุมเพื่อสันติภาพปองโลกอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดเลยที่แอบฝังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพรรคพวกของตัวส่วนรวมของตัว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 พูดสับสนไปตมาภาพก็จำลำดับไม่ละเอียดเอ่อเท่าไรเรานานๆจะได้กล่าวถึงครั้งหนึ่งวันนี้ก็ว่าจะเตรียมมาให้ดีแต่เตรียมไปเตรียมมาก็สับสนแต่ก็อยู่ในความหมายที่ว่าสามอย่างหลักของพระพุทธศาสนาเว้นชั่วประพฤติจชำระใจให้สะอาดนี่คือหลักภาษาสนาแต่ท่านไปต่างประเทศ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 ในวิธีสอนศาสนาที่พระองค์ทรงทรงพระสมทั้งแรกวันมาคะนั้นพระองค์ก็พูดแถวนี้แหละอย่าค้อนขอดเขาอย่าเบียดเบียนเขาอย่าไรเขาอย่างนี้เมื่อเราทำได้ค น, นี้ก็สบายมากพระธรรมคำสั่งสอนใหคนข้องใจบางอย่างว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก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 จึงตรัดสินไว้อย่างเสตมายกบาลีสุท้ายว่าการเข้าถึงอะไรยึดถืออะไรนับถืออะไรก็ไม่ปลอดภัยอโยจะปุท ธ, ธันจะทำมันจะบุคคลใดเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงประสงค์และเข้าสู่อรยะสัจสี่นั่นแลจึงจะเป็นการการพ้นทุกขพ้นภัยอย่างถาวน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 เมื่อเก้เมื่อเช้าเราก็รับศีลรับศีลนั้นเพื่อทำกายให้สงบเพราะมีศีลสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อยห้าอย่างแล้วนั่งภาวนาสมาธิก็เพื่อยังใจให้สงบสะอาดเรียกว่าสักิตะประโยชน์ะปะนังขั้นสูงสุดก็คือว่าทำจิตให้พ้นจากภาวะตกต่ำไม่ทุกข์เข้าถึงพระนิพพานในอนาคตการ